เจรนพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สองรุราคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศ์เพื่อความสุขเพื่อสวรรค์ที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจตามอำดับต่อไปบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างให้ผลิตขึ้นมานี้มีอยู่สิบประการด้วยกันคือนงทาน คือการให้ 2. สองสีคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น 3. ภาวนาการพัฒนาจิตใจใ ห, หให้สะอาดให้สงบ 4. การอุทิตส่วนบุญส่วนกุศล 5. การร่วมอนุทอนุโมทนาบุญ 6. การรับใช้ผู้อื่นเจ็ดการอ่อนน้ อ, อมทําตนแปดฟังเทศฟังธรรมการสแสดงธรรมการสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นละ1สิบการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือบุญ ที่พรุทธเจ้าทรงสานให้พุทธศาสนิกชนทำกันอย่างสม่ำเสมออย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันอย่างต่อเนื่องในวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างในวันธรรมวัตร ว, นะวันพระบ้างหรือวันธรรมดาที่เราทำกันเป็นปกติก็มีทาน คือการให้ให้ข้าวของเช่นจัตุปัจัยอาหารบินทบาทยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยคือกุฏินี่ก็เป็นการให้ให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นบุญบุญแปลว่าสุขความสุขใจ สวรรค์ก็แปลว่าความสุขใจถ้าเรามีความสุขใจใจของเราก็เป็นสวรรค์ข้อที่สองบุญบุญชีวิตที่สองที่ทรงสอนให้ทําก็คือให้รักษาศีลคือไม่ให้ทำบาป ท, ทำกรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเทศเสพสุรายาเมา การกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดนรกขึ้นมาเพราะคำ ว, ว่าความทุกข์นี่ก็คือนรกนี่เองนรกก็คือความทุกข์ใจใจที่ร่มรอ้อนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทด้วยความวิตกกังวลหวาดกลัวผลของบาป ท, ที่ตนเองได้ทำเอาไว้ ก็จะทำให้จิตใจไม่เย็นไม่สงบไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเว้นจากการทำบาปด้วยการรักษาศีลทั้งห้าข้อบุญชนิดที่สาก็คือการภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจให้สงบให้สะอาดเพราะจิตใจที่สงบสะอาด เป็นจิตใจที่สูงส่งเป็นจิตใจที่จะมีแต่ความเมตตากราุณามุนิตาอุเบกขาเป็นจิตใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐเพราะจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีแต่ความยินดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นจะไม่เบียดเบียน จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีแต่จะทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นพระพุทธเจ้าของเราหลังจากที่ทรงตัดสรุปเป็นพระอาหารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงโปรดสัตว์โลกด้วยการเผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกทุกวัน ดังที่ได้แสดงไว้ในพุทธกิจที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือกิจของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็คือ 1. ตอนบ่ายทรงสังสสาาสงงส่งสอนศรัทธาญาโยม 2. ตอนค่ำทรงสั่งสอนพระภิกษุ ส, มมสามเณร 3. ตอนดึก ทรงสั่งสอนเทวดาสี่ตอนก่อนที่จะสว่างทรงเล็งยาไปดูว่าควรจะไปโปรดสั่งสอนคนใดผู้ใดห้าพอสว่างแล้วก็ส่งออกบินนาบาสโปรดสั่งนี่คือกิตของผู้ที่มีจิตใจที่สูงส่งไม่เคยคิดที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเนื่องจากประโยชน์ของตนนี้ได้ทาเสร็จสิ้นแล้วได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วด้วยการภาวนาด้วยการทาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงปราศ จ, จากตำหาความอยากทั้งหลายทาให้จิตได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตาย อีกต่อไปเกิดของของจิตใจก็มีเพียงเท่านี้ถ้าได้ทำเกิดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะว่าจิตของผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาจะมีความอิ่มความพออยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องคอยหาอะไรมาเพิ่มเติมให้แก่จิตใจ การกระทำต่างๆหลังจากนั้นจึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียวดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็นประโยชน์ถึง45ปีหลังจากที่ทรงตัดสรุปในขณะที่ทรงพระชนอายุได้36พระพรรษาทรงปฏิบัติภา ร, รกิจ45ปีจนถึงอายุ80พระพรรษา ก็ได้ลาจากโลกเราไปแต่ก็ได้ทรงทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกอย่างมากมาย่ายกองปรากฏมีพระอาหารหันต์สาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากนี่เป็นผลงานของผู้ที่มีจิตใจที่สงบที่สะอาดบดยสุดต่างกับผลงานของพวกเราที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลง ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนั่นแหละเป็นผลงานของผู้ที่ของจิตใจที่ไม่สะอาดที่ไม่สงบมักจะไปเบียดเบียนสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้แก่กันและกันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดหยอด่อนโลกเราจึงหาความสุขกันไม่ได้ หาความสงบกันไม่ได้เพราะโลกเราไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักการพัฒนาจิตใจทำใจให้สงบ <c oughs> ทำใจให้สะอาดด้วยการเจริญปัญญานี่คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำสำเร็จแล้วแล้วก็นำออากมาสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเป็นงานที่ <c oughs> เลิอที่ประเสริฐเพราะจะทําให้ผู้ที่สําเร็จงานนี้เป็นผู้เลิอดผู้ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นมาที่พวกเรากราบไหวบูชามาจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลาก็ 2,500 กว่าปีแล้วที่พระองค์ได้ทรงจากพวกเราไปแต่ความเลิอดและประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ ยังไม่จืดใจจากใจของสว์โลกสามโลกถ้าได้มาสัมผัสรับรูบร้ถึงความดีงามของพระ พ, พุทธเจ้าก็จะมีศรัทธามีความเรื่อมใสที่จะกราบไ่ว้บูชาดังที่พวกเราทั้งหลายได้กราบไ่ว้บูชากันเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา ที่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นการนำความสุขและความเจริญมาให้แก่พวกเราเพราะเวลาเราได้มาวัดเพื่อมาทำการบูชา พรพุทธรธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้มีโอกาสสัมผัสรับรู้พระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเรากําลังได้ยินได้ฟังในขณะนี้ทําให้พวกเราได้รู้จักว่าบุญนั้นมีอะไรบ้างถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้อาจจะรู้ว่ามีการให้ทานเป็นบุญอย่างเดียวหรือการรักษาศีล แต่การภาวนาการฟังเทศฟังธรรมการเป็นผู้มีความอดน้อมถ่อมตนการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาได้มาวัดเพื่อมากราบว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเรา เราก็จะหลงไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราเช่นการกอบโกยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกอบโกยยศถาบรรดาศัก์กอบโกยความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องฆ่าฟันกันต้องแก่งแย่งชิงดีกันทุกวันนี้ที่เรา ทะเลาะบอกแวงกันแก่งแย่งชิงนดีกันฆ่ากันทำร้ า, ายกันก็เพราะความอยากได้ลาบยศเสริมสุขนี้แหละไม่ใช่อะไรสังคมเราจึงอยู่ในอยู่ในภาวะที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ศึกษาถึงการกระทำที่จะนำมาสึ่งความร่มเย็นเป็นสุข นำมาสร้งความจเจริญในสังคมถ้าทุกคนในสังคมทําบุญทั้งสิประการนี้ได้รับรองได้ว่าสังคมของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดจะไม่มีใครเบียดเบียนใครไม่มีใครทําร้ายใครจะไม่มีใครต้องเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายใจนี่คือ ความสำคัญของพระพุทธเจ้าความสาคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่คำสอนเป็นหลักส่วนองค์ประกอบต่างๆนั้นเป็นเพียงออสั ญ, ญลักษณ์หรือป้ายบอกทางเช่นพระพุทธรูปนี้ที่เราการาบนี้ก็เพื่อไว้เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสงคานุสติ ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษลงที่ว่าจะปกป้องคุ้มครองทุกภัยต่างๆให้กับเราหรือทำให้เราเจริญก้าวหน้าร่ำรวยพระพุทธรูปนี้ไม่มีหน้าที่ทำทำหน้าที่เหล่านี้หน้าที่ของพระพุทธรูปก็คือการเตือนใจเราให้ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้า ให้ลำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลำลึกถึงพระอริยสงสาวุผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเมื่อเราลำลึกแล้วเราจะได้น้อมเอามาปฏิบัติกับตัวเรานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสรงสอนอย่างไรพระอริยสงสาวุทั้งหลายก็ได้น้อมเอามาปฏิบัติตาม จนได้กลายเป็นพระอริยสาวกขึ้นมาพวกเราถ้าน้อมเอามาปฏิบัติตามพวกเราก็จะได้เป็นพระอริยสาวกกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคลรวะหรือเป็นนักบวชไม่เป็นปัญหาเรื่องเพศไม่เป็นปัญหาจะเป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นปัญหาจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นปัญหา ปัญหาอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพรธเจ้าหรือไม่ถ้าเราศึกษาและเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะสามารถรับประโยชน์จากการศึกษาและปฏิบัติได้รับการพัฒนาจิตใจให้สงบให้สะอาดได้ไม่มีไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัย อย่าไปคิดว่าจะต้องบวชเท่านั้นถึงจะพัฒนาถึงจะภาวนาได้ถึงจะทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้มีผู้ที่ไม่ได้บวชที่มีความสามารถทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์บรรลุพระนิพพานได้ในอดีตในปัจจุบันก็มีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่การบวชกับการไม่บวชนี้ก็มีความต่างกันตรงที่ถ้าบวชก็จะมีเวลาปฏิบัติมีเวลาศึกษาได้มากถ้าไม่ได้บวชก็จะไม่มีเวลามากพอเพราะจะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาที่จะนำเอามาพัฒนาจิตใจเอามาภาวนาก็จะมีไม่มาก โอกาสที่จะได้หลุดพ้นได้บรรลุผลก็จะมีไม่มากยกเว้นจะยกเว้นว่ามีมีบารมีมีทรัพย์พอที่ไม่ต้องไปทำมาหากินที่ยังที่สามารถปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่างนี้ก็มี โอกาสที่จะบรรลุมรรคผนิพพานได้เช่นเดียวกับนักบวช <c oughs> เพราะว่าอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่เวลาของการปฏิบัติว่ามีเวลาปฏิมัติมากน้อยเพียงไร <c oughs> ถ้าได้บวชแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> แทนที่จะภาวนากับไม่ได้ภาวนากลับไปทำ งานอย่างอื่นเช่นไปก่อสร้างกุฏิไปก่อสร้างโบสถ์เจดีย์วิหารหรือไปหาเงินเรียลายมาเพื่อที่จะมาทำกิจต่างๆในวัดถ้าทำกิจเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานเพราะไม่ได้ภาวนางานสำคัญที่สุดของการบรรลุมรรคผลนผิพพานนี้ อยู่ที่การภาวนาและอยู่ที่ศีลเป็นเครื่องสับเป็นเครื่องสนับสนุนและทานทานก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้มีศีลส่วนศีลก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ภาวนาได้อย่างสะดวกเพราะจิตใจจะไม่ว่าวุ่นขุนบัวศีลนี้จะช่วยรักษาจางให้สงบ ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่วิตกกังวลก็จะทำให้การภาวนาทำจิตให้สงบให้สะอาดนี้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีศีลเวลาไม่มีศีลแล้วเวลาภาวนาจิตใจจะวิตกกังวลจะไม่กล้าไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลำพังเพราะกลัววิบา ก, กรรมที่จะตามมา แต่ผู้ที่มีศีลที่สะอาดบริบสุดจะไม่มีความกลัวต่อวิบากรรมต่างๆเพราะไม่ได้สร้างกรรมไม่ได้สร้างบาสนั่นเองแต่การมีศีลอย่างเดียวหรือการทำทานอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพียงต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องมีการภาวนาเป็นหลักและก็ต้องมีการฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างสม่ำเสมอเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาทางทางเดินเหมือนกับดูแผนที่เวลาที่เราต้องเดินทางไปตามสถานที่ที่เราไม่เคยไปถ้าเราไม่มีแผนที่บอกทางเราก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการผู้ที่ปัจาภาวนาได้นั้น จะต้องได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการภาวนานี้เป็นเหมือนกับการเดินทางภายในจิตใจจะต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างจะต้องเจอทางแยกที่จะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนบ้างจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือจะตรงไปถ้าไม่มีแผนที่บอกทางก็จะ เลี้ยวผิดทางไปจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นนอกจากการภาวนาแล้วก็ยังจะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> เพื่อจะได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าทางที่จะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นไปอย่างไรนั่นเอง รู้ว่าอะไรทำแล้วจะทำให้เกิดโทษทำให้ไปนรกแทนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานต้องรู้ต้องศึกษาต้องได้ยินได้ฟังวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังถึงบุญต่างๆเมื่อกี้ก็พูดถึงภาวนาบุญข้อที่สี่ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้หมายถึงเวลาที่เราทำบุญตักบาต ถวาสังฆทานเรามีบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้แต่เราไม่สามารถแบ่งให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้บุญอุทิศนี้อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและต้องเป็นพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณถ้าเป็นพวกเศรษฐีเช่นพวกเทวดาเขาก็ไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องรับบุญอุทิศส่วนนี้เพราะบุญอุทิศนี้เป็นบุญที่ไม่ไม่มากนักเป็นเหมือนกับค่ารถหรือเป็นเหมือนกับอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเองพวกเทวดานี้เขามีมีบุญมากกว่าหลายเท่าแต่ถ้าเขาทราบว่าเราได้อุทิศบุญส่วนนี้ให้กับเขาเขาก็จะอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดี ต่อความปรารถนาดีของเรา <c oughs> ผู้ที่จะรับบุญนี้บุญอที่นี้เรียกว่าพวกสัมภเวสีหรือพวกเปรตพวกนี้ในสมัยที่มีชีวิตอยู่จะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องคือไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปรับใช้บุญใช้บาปต่อไป ก็เลยจะไม่ทำบุญมีแต่จะทำบาปาะจิตใจเมื่อมีกิเลสตันหาความอยากก็จะพยายามทำตามความความความโลภความอยากและวิธีง่ายที่สุดก็คือการทำบาปเชนอยากจะได้อะไรก็เอามาโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีเจ้าของหรือไม่เจ้าของจะให้หรือไม่ ก็จะเอามาได้ถ้าใครเผลอวางอะไรไว้ก็จะหยิบมาทันทีพวกนี้เมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญเอาไว้ทำแต่บาปตายไปเลยต้องไปเกิดเป็นเปรตพวกนี้ก็ต้องไปขอรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่เวลาที่เขาทำบุญถ้าเขาอุทิศให้ก็จะได้รับ ถ้าเขาไม่อุทิศก็รับไม่ได้ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราเราอยากจะช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่มีบุญผู้ที่ต้องรอรับส่วนบุญเราก็อุทิศไปถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสาหเราก็เอ่ยถึงชื่อของเขาถ้าถ้าเราคิดว่าบางทีญาติของพวกเราเป็น ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องรอรับบุญส่วนนี้เราจะอุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปก็ได้คือไม่เจาะจงว่าเป็นใครใครก็ได้ถ้าเดือดร้อนต้องการที่จะรับผลบุญส่วนนี้ก็ให้เขามารับไปเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการอุทิศคือจะทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเป็นสวรรค์มากขึ้นไป นี่คือเรื่องของบุญอุทิศคนบางคนไม่เข้าใจที่ว่าทำบุญแทนกันได้เช่นคุณแม่หรือคุณพ่อไม่สบายนอนอยู่ในห้องไอซียเราก็มาทำบุญให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีเจตนาและไม่ใช่เป็นของของเขาเป็นเงินของเขาเขาก็จะไม่ได้บุญส่วนนี้บุญนี้จะต้องเกิดจากเจตนา คือความตั้งใจและต้องเป็นของของของตนเช่นเรามีเงินอยู่ร้อยบาทแล้วเราอยากจะทำบุญถึงแม้ว่าเราจะไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านมาไม่ได้เราฝากให้ผู้อื่นเขามาทำให้กับเราเราก็จะได้บุญส่วนนี้ต้องมีเจตนาและต้องเป็นของของเราถึงจะได้บุญส่วนผู้ที่ รับเอาเงินของเรามาทำบุญเขาก็จะได้รับบุญอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถมาวัดได้เราก็รับใช้ทําหน้าที่แทนเขาแต่ต้องเป็นเงินของเขาและเป็นความตั้งใจของเขาคนที่ให้เงินมาถึงจะได้บุญแต่ถ้าว่าไม่ใช่เป็นเงินของเขาเขาไม่รู้เรื่อง เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลสลบสไลดแล้วเรามาทำบุญให้กับเขานี้เขาไม่ได้บุญเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอย่าประมาทให้รีบทำบุญในขณะที่เรากำลังทำได้อยู่เพราะว่าต่อไปในอนาคตนี้เราจะไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะไม่สามารถทำบุญได้ ถ้าเราไม่ได้ทำบุญแล้วเวลาเราไปเราก็จะไปเป็นแบบขอทานทางจิตวิญญาณต้องมาคอยขอรับบุญส่วนบุญอุทิศของผู้อื่นแต่ถ้าเราทำบุญกันอย่างสม่าเสมอเวลาตายไปเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญจะไปเป็นเทพทันทีไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้อื่นนี่ก็คือเรื่องของบุญอุทิศ และบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นส่วนบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญก็คือเวลาเห็นผู้อื่นเขาทาบุญหรือเขาเขาบอกเราว่าเขาจะทําบุญบอกบุญกับเราเราก็ร่วมทําบุญไปกับเขาร่วมอนุโมทนาด้วยการทําบุญก็ได้หรือด้วยการแสดงความยินดีก็ได้ถ้าเราไม่มีกำลังซักที่จะร่วมทําบุญด้วย แต่เราก็ชื่นชมยินดีไปกับการกระทำของเขากิดให้กำลังใจกับเขาเราก็จะได้บุญคือความสุขใจถ้าเราไม่แสดงความยินดีหรือกลับไปขัดขวางเขา mm hmm. เช่นไปบอกเขาว่างมงายทำไปทำไมทำไปเสียเวลาเปล่าๆเสียเงินไปเปล่าๆตายไปแล้วก็จบไม่ได้ไปรับผลบุญที่ตรงไหนเลย ถ้าเราพูดอย่างนี้ก็จะไม่ได้เป็นบุญแล้วก็อาจจะทำให้คนที่เขาทำบุญนั้นเขาเสียกำลังใจได้ดังนั้นถ้าเราทราบว่ามีคนที่เรารู้จักเขาทำบุญหรือเขาบอกบุญเราก็ต้องอนุโมทนาบุญต้องชื่นชมยินดีไปกับเขาสนับสนุนให้เขาได้ทำบุญให้เขามีกำลังใจที่จะทำบุญมากขึ้นไป ถ้อเรามีโอกาสมีกําลังทรัพย์เราก็ร่วมทําบุญไปด้วยนี่ก็คือเรื่องของการร่วมอนุโมทนาบุญนี่คือบุญต่างๆที่ได้พูดมาถึงนอกจากนั้นก็มีเรื่องการฟังเทศฟังธรรมก็ได้แสดงไว้แล้วหลังจากถ้าเราบรรลุธรรมแล้วเราก็สามารถแสดงธรรมสอนธรรมะให้แก่ผู้ เราก็จะได้บุญส่วนนี้ด้วยเราก็จะมีความสุขใจเวลาสอนธรรมะให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากความเดืดอดน้อนของจิตใจเห็นผู้อื่นเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขต่างไปด้วยนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธทศาสนิกชนหมั่นทำกันอย่างสม่ำเสมอ อย่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุญเช่นในช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจการกินเจคือการไม่กินเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งที่เรารับประทานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเรารับประทานเข้าไปก็จะไม่เป็นบาปแต่อย่างใด ราบใดที่เราไม่ได้เป็นผู้สั่งให้เขาฆ่าหรือหรือฆ่าด้วยตัวเราเองเพื่อเอามาทำเป็นอาหารการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดเหมือนกับการรับประทานเจถ้าลับประทานเจแต่ยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นไปยิงไปตบยุงอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นบาปอยู่ เพราะว่าบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่การรับประทานอาหารรับประทานอาหารเจหรือรับประทานอาหารที่มีเนื้อสั์อยู่ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดถ้าไม่ได้ไปฆ่าเนื้อสั์นั้นมาเพื่อรับประทานบางคนไม่เข้าใจแค่ว่าการกินเจแล้วได้บุญความจริงกินเจก็ไม่ได้บุญ กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้บุญอยู่ที่การว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าฆ่าก็จะเป็นบาปถ้าไม่ฆ่าก็จะไม่เป็นบาปนี่คือเรื่องของการกินเจก็ฝากไว้ให้ญาติโยมได้เข้าใจเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้กินเจแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้บุญแต่อย่างใดแต่ไม่เป็นปัญหาถึงแม้จะกินเนื้อสัตว์ ก็สาคัญเนื้อสัตว์นั้นต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ฆ่าหรือสั่งให้เขาฆ่าถ้าเราไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วมีเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วขายอยู่เราซื้อมารับประทานอย่างนี้ไม่เป็นบาปแต่อย่างไดแต่ถ้าเราไปสั่งเขาไว้ล่วงหน้ากล่องว่าพรุ่ง น, นี้ขอเอาไก่สองตัวถ้าอย่างนี้ก็เป็นบาป ก, กินไม่ได้ทาไม่ได้ ถ้ายังถ้ายงต้องรับประทานเนื้อสัตว์อยู่ก็ให้รับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไม่ได้ฆ่าเนื้อสัต์ให้ผู้อื่นฆ่าก็จะไม่เป็นบาปแต่อย่างใดยึงขอฝากเรื่องของการทําบุญต่างๆนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิษฐ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการสแสดง